ท่านพระพุทธศาสน์ไ ม, ม่กระชุมทั้งหลายและท่านสาธามณกิตทั้งหลายเวลานี้ท่านั้งหลายได้พากันสมาทานแล้วซึ่งกะกรรมฐานสําหรับวันนี้ก็อย่าข อ, อนําอาณาปานุสติกกรรมฐานมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายอีก เราว่าอนนาปาโนปติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านทั้งหลายจะเจริญพระกรรมฐานกองใดถ้าหากว่าไม่ใช้อนนาปาโนปติกรรมฐานเป็นบาทแล้วผลเรการเจริญพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่มีผลสําหรับท่าน วันนี้ก็จะขอพูดต่อไปจากอาการของคณิกะสมาธิเมื่อวันก่อนได้พูดไปในรูปของคณิกะสมาธิแต่ด้วยว่าสําหรับวันนี้จะพูดไปถึงอุบจาระสมาธิแต่ก่อนที่นําเรื่องนั้นขึ้นมาพูด ก็ยังขอนำอาุปสรรคอนาปานุสติกรรมฐานมาพูดเสียก่อนหรือว่าอุปสรข้อนาปาณสติกรมฐานนี่มีมากไม่ว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดฉะนั้นจะต้องสู้ต่อสู้กันหนักถ้าเราสามารถต่อสู้กับอนาปานุสติกรรมฐานได้ กรรมฐ า, านกองอื่นๆก็ไม่มีความสำคัญเราสามารถจะทำกรรมฐ า, านอีกสาเก้ากองได้ภายในกองได้เจ็ดวันเป็นอย่างช้าอุปรสรรคอันับแรกก็คือว่าการทรงอารมณ์ไม่ละเอียดพอนั่นก็คือลมหยาบ อ า, าณาปานุสติกรมฐานนิยสัยลมเป็นสำคัญถ้าวันใดปรากฏว่าลมหายใจของท่านหยาบวันนั้นอย่าปรากฏว่าการคุมสติสัมปชัญญะคือการทรงสมาธิไม่ดีตามสมควรจะมีอาการอึดอัดบางครั้งจะรู้สึกว่าแน่นที่หน้าอก หรือว่าบางคราวจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับให้ใจไม่ทั่วท้องจะ ม, ม, มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาการอึดอัดเกิดขึ้นถ้าอาการอย่างนี้มีแกท่านทั้งหลายหรือว่าเกรงว่าการอย่างนี้จะมีเมื่อเวลาเริ่มต้นที่จ ะ, จะเจริญพระกรรมฐานคือกาหนดรูดลมหายใจเข้าออก ให้ท่านนั้นไหลชักลมให้ใจยาวๆสักสามสี่ครั้งเพื่อให้ใจยาวๆให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆสักสามสี่ครั้งเพื่อเป็นการระบายลมหยาบให้หมดไปจากนั้นก็เริ่มกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าอย่าลืม การกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกนี่อย่าบังคับให้การรู้ให้ใจเข้าออกหนักหนักหรือว่าเบาๆอย่าบังคับให้ยาวหรือสั้นโดยการที่ตั้งใจทำอย่างนั้นถ้าว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานต้องการสติสัมปชัญญะเป็นใหญ่ ฉะนั้นลมให้ใจของเราจะหนักก็ดีจะเบาก็ดีจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามปล่อยไปตามสภาพของร่างกายที่ต้องการแต่นั้นว่าเราจิตเข้าไปรู้ไว้เท่านั้นให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ นี่เป็นแบบหนึ่งเลย่ยแบบหนึ่งในกรรมฐ า, านสี่สิทท่านให้กาหนดฐานสามฐานเมื่อเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมกูกกระทบเหนืออกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหนืออก กระทบจมูกหรือว่าริมพี่ปากถ้าคนลมพิ่ปากเชิดจะกระทบริมพีปากถ้าริมพีปากงุ้มจะกระทบจมูกเป็นความรู้สึกแต่ว่าเพื่อความรู้สึกอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายจงหยาบบังคับลมให้ใจให้แรงลอยไปตามปกติแต่จิตตามนึกถึงเท่านั้น ขอยทำอย่างนี้จะมีผลข้อสังเกตถ้าเวลาเราให้ใจเข้าให้ใจออกความรู้สึกมีแต่เพียงว่ากระทบจมูกอย่างเดียวแล้วสามารถจะจับความรู้สึกอย่างนี้ได้ น, น, นานๆสักหน่อยาอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นจิตของท่านทรงได้แค่อปจาระสมาธิ ถ้าสา ม, มารถรู้การสัมผัสสองฐานมีให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกและให้ใจออกรู้กระทบหน้าอกกระทบจมูกสองจุดนี้อย่างนี้สนแสนดงว่าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐาน ให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้า อ, อกกระทบศูนย์เหนือสน่ห์แล้วก็เวลาให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสน่ห์กระทบหน้า อ, อกกระทบริมพิียปากหรือจมูกรู้ได้ชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานมี่เป็นอาการสังเกตถ้าหากว่าอารมณ์จิตของท่านละเอียดยิ่งไปกว่านั้น หรือว่าเป็นปฐมฌานละเอียดหรือว่าเป็นฌานที่สองฌานที่สามอย่างนี้ท่านจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันไหลไปเหมือนกับกระแสน้ําไหลกระทบไปตลอดสายทั้งให้ใจเข้าและให้ใจออกอย่างนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงว่าปฐมฌานละเอียดหรือว่าฌานที่สองหรือว่าฌานที่สาม สำหรับว่าท้องไม่ชนันลมยังหยาบอยู่แต่เท่ า, าลมรู้สึกว่าจะเบากว่าอุปจารสมาธิพอไปถึงฌานที่สองจะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงอีกไปถึงฌานที่สามลมให้ใจที่กระทบรู้สึกว่าจะเบามากเกือบไม่มีความรู้สึกถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ให้ใจเลย แต่ความจริงร่างกายหายใจเป็นปกติที่ความรู้สึกน้อยลงไปก็เพราะว่าจิตไม่จิตกับประสาทห่างกระออกมาตั้งแต่ปฐมฌานจิตก็ห่างจากประสาทไปนิดหนึ่งมาถึงฌานนึ่งสองจิตก็ห่างจากประสาทมากไปหน่อยหนึ่ง พอถึงฌานที่สามห่างไปมากเกือบจะไม่มีการสัมผัสกันเลยถึงฌานที่สี่จิตปล่อยประสาทไม่รับรู้การกระทบกระทั่งทางประสาททั้งหมดจึงไม่รู้สึกว่าเราหายใจข้อนี้เป็นข้อสังเกตนี่ต่อมาก็จะพูดถึงอาการที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิ เมื่อท่านกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกจิตจะมีความสงบสงัดดีขึ้นดีกว่าอุปจารสมาธิจะมีความชุ่มชื่นมีความสบายแต่ทั่วจะทรงอยู่นานก็หาไม่อาจจะทรงอยู่ได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนทิยยะตนต แต่บางวันมันก็สรงยั่ได้ตั้งครึ่งชงั่วโมงตั้งชั่วโมงเหมือนกันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นนั้นว่ามาจิตของท่านเริ่มมีความสุขมีความเรื่นเรืองจิตชุ่มชื่นหันษาอาการของปีติมีห้าอย่างที่จะเรียกว่าอุปจาระสมาธิ จิตที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิธรรมสมาธิก็คือจิตมีปีติแล้วก็จิตเข้าถึงสุขถ้าเข้าถึงสุขก็เรียกว่าเต็มอุปจาระสมาธิอาการของปีติที่ควรจะการพิจรารณาควรจะทราบนั่นก็คือหนึ่งมีคนลุกสู่สาที่เรียกว่าคนพองสยองกล่าว ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจกับร่างกายขนมันจะลุกขนมันจะพองขนไม่จะตั้งขึ้นสูงมันคงจะต่ำก็ช่างมันไม่สนใจกับการทั้งร่างกายทั้งหมดพยายามสนใจกับรมที่เราส่งไว้ความจริงอาการอย่างนี้ผมพูดก็พูดเขียนก็เขียนมาแล้ว แต่ก็ยังมีนักปฏิบัติมากท่านเมื่อกระทบกระทั่งกับเรื่องทางกายเกิดขึ้นมักจะมาถามกันบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่คนในสำนักเป็นคนนอกสำนักเป็นเหตุให้รู้สึกว่ารำคาญเพราะว่าสันดาญเขาบกคนพิจารณาดีเนี่ยก็ฟังกันครั้งเดียวหรือ ว, ว่าดูครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวเท่านี้พอ ไม่ต้องมานั่งจำจี้จำชัยอะไรกันเมื่อมีอาการขนลุกขนพองเกิดขึ้นจิตจะเป็นสุขตอนนี้คอยท่านหลายมีความเข้าใจว่าจิตก็เริ่มเข้าโอปชจาระสมาธิคือปีติบางท่านในการอย่างนี้ไม่ปรากฏแต่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งคือน้ำตาไหล เวลาเริ่มทำสมาธิน้ำตาลไหลบางทีใครก็พูดอะไรเป็นที่ชอบใจชื่นใจปลื้มใจน้ำตาก็ไหลมันไหลจนกระทั่งบังคับไม่อยู่นี่เป็นอาการเขาปีติที่สองอาการเขาปีติที่สามเวลาจิตเริ่มเป็นสมาธิคำว่าเริ่มเป็นสมาธินี้เอาแน่นอนไม่ได้ ถ้าคนที่มีอารมณ์คล่องบางทีทําทํางานอยู่นึกขึ้นมาอาการมันก็เกิดทันทีเรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิเร็วอาการที่สามของปีติก็คือร่างกายโยกไปโยกมาโยกพ น, น่ายโยกข้างหลังอย่างนี้แปลกายของปีติที่สามปีติที่สี่มีาการตัวสั่นเทิ่มคล้ายกับปลุกระ แล้วมีอาการมันมีบางครั้งตัวลอยคือพลพื้นที่อาการอย่างนี้ปรากฏก็ยาเพิ่มนิกว่านั่นอาการของการหอบมันจะมีขึ้นยังไม่ใช่หอบเป็นเรื่องของปีติอาการที่ห้าจะมีอาการซราบ้างสู้ซาทางกายคล้ายๆกับของในกายมันไหลออกไปหมดตัวกายเบาโปรง่ง จะมีความรู้สึกมว่าตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นรู้สึกว่ามันสู้สาแต่อารมณ์จิตสบายอาการอย่างนี้แปลนอาการอองปีติที่ห้าเมื่อการของปีติที่ห้าเกิดขึ้นตอนนั้นอารมณ์จิตจะเป็นสุขความสุขที่มีขึ้นเราจะบอกไม่ถูก ว่าความสุขนั้นมันจะมาจะมีอย่างอธิบายไม่ได้ที่เชื่อความสุขประเภทนี้ในชีวิตของเราจะไม่ปรากฏมีมาเลยมันเป็นความสุขสดชื่นปราศจากอามิท์ทีคิดถึงหมายความว่าไม่ใช่มีความชื่นใจเพราะได้ของมาอย่างนี้คืาความสุขที่เกิดขึ้นจากนิรามิสสุข คือสุขที่ไม่อิงามิรมันเป็นความสุขมระผองใสสดชื่นมีความสบายเปรียบเทียบกับอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้ถ้าอาการอย่างนี้มีขึ้ น, สนแสดงว่าจิตทั้งท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิอันถึงอันดับที่สุดเป็นการเต็มใ น, นขั้นกามาวาจรสวรรค์อย่าลืมว่าคณิกสมาธิ เป็นปัจจัยเกิดใน k าม m วจรสวรรค์ลแล้วก็ถึงอุปจารสมาธิเต็มเป็นการเต็มเที่ยขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ได้ทุกชั้นตามอธัธยาศัยเรียกว่าเต็มกาม m วจรสวรรค์ถ้าเลยไปจากนี้ก็แปล ก, ก, การของพรหมขอถอยหลังมาอีกนิดหนึ่งขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ อาเจียเป็นอุปจาระตนอุปจาระกลางอุปจาระปลายก็ตามอุปจาระต้นที่เรียกว่าขนพองสยองข่าวือหรือว่าน้าตาไหลาร่างกายโยครงนี่เป็นอุปจาระสมาธิขั้นตนอุปจาระสมาธิขั้นกลางก็ในการกายสันเทืยมคล้ายๆกับปุกระ เลิกรู้ว่ามีร่างกายลอยขึ้นมีการทราบซ่าสูสา้ซ่าตัวเบาร่างกายใหญ่หน้าตาโตมีจิตสบายมีอารม์ใจเป็นสุขขอโทษมีจิตสบายอย่างนี้เรียกวิจาระขั้นกลางถ้ามีถึงขั้นอารม์ใจเป็นสุขบอกให้ถูกนี่เป็นอุปจาระสมาธิขั้นสูงสุด จะเป็นอุบจาริอุบาจารสมาธิอันดับใดก็ตามในขณะนี้จะมีการแปลกๆเกิดขึ้นนั่นก็คือบางครั้งเรเห็นแสงและสีต่างๆปรากฏบางครั้งก็เห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองบางครั้งก็มีการคล้ายๆกับชาไข่เขาฉายไฟเข้ามาที่นาย บางคาจะรู้สึกว่ามีแสงสว่างทั่วทั้งบรุรกายมีทั้งนหน้าและข้างหลัง <c oughs> ถ้ า, าการอย่างนี้เกิดขึ้นขอท่านหลายเาพื่อทราบว่านั่นเป็นนิมิตข้อนาปานุสติกรรมทานแต่บางทีก็จะมีภาพคน <c oughs> ภาพอาคารสถานที่แล้วภาพอะไรก็ตามเกิดขึ้น แต่การอย่างนี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วก็หายไปมาในตอนนี้ขอท่านทั้งหลาย <c oughs> จงจำไม้ว่าจงอย่าสนใจกับแสงสีใดๆทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างทำความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจเจริญกรรมฐานต้องการอารมณ์จิตเป็นสุข ตั้งการอารมณ์เป็นสมาธิเพื่อจับอรม์เดิมเข้าไว้แต่เดื้ ว, ว่าเรื่องภาพแสงสีนี่ก็รู้สึกว่าไปที่หน้าหนักใจอยู่นิดหนึ่งเนื่อว่าเป็นของแปลกเป็นของใหม่สําหรับผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นเข้าอดจะตกใจไม่ได้พอจิตไปจับภาพเระแสงสีนั้นจิตก็เคลื่อนภาพก็หาย ฉะ่นั้นการเห็นภาพหรือแสงสีแน่นับนีตามเกณฑ์แห่งการปฏิบัติท่านยังไม่ถือว่าเป็นของดีแต่ก็มีหลายท่านอาจจะเป็นหลายคณะก็ได้ก็มีโูกศิธย์ลูกหาข้ามันดาท่านหลายเคยมาถามเสมอๆว่าขอท่านในโปรดพิจารณากรรมฐานที่ชัดได้ ว่ามันเสื่อมไปแล้วรือยังก็ได้ถามว่าทำไมจึงถามอย่างนั้นท่า น, น, นบอกว่าขณะที่ท่านเจ ร, ริญกับอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านบอกว่าจบกิจในากนรารปฏิบัติแล้วไม่ถามว่าการจบกิจในการปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นกับใจท่านก็บอกว่าเห็นภาพแสงสีต่างๆ เห็นเหมือภาพคนบ้างแสงทว่าบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างอย่างนี้อาจารย์บว่จบแล้วก็รมฐานมีเท่านี้อันนี้ท่านหลายผมแสดงความดีของท่านผู้ปฏิบัติความจริงภาพแสงสีต่างๆที่เห็นบางคนก็เข้าใจว่าอาการอย่างนั้นเป็นเรื่องคนที่เป็นจักยาน ถ้าความรู้สึกมีอย่างนี้ก็น่าสินได้อีกเพราะภาพที่ปรากฏแสงสีที่ปรากฏไม่ใช่ทิฏัจกุญานเป็นเรื่องของอารมณ์จิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิจิตมีสภาพเป็นทิพย์เล็กน้อยเท่านั้นยังใช้อะไรไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่าสนใจกระภาพและแสงสีต่างๆ ตากว่าการอย่างนี้ปรากฏจงทำความรู้สึกว่าเรายังดีไม่พออารมณ์จิตของเรายังเข้าไม่ถึงปฐมฌานขอท่านหลายโปรดจำไม่เร็นการหนึ่งเท่าที่พูดมาถ้าหากว่าการของจิตของท่านเข้าถึงปีติส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เช่นคุณพองสยองกล้าวน้ำตาไหลร่างกายโยกโคงกายสั่นหรือกายลอยเมียกายทราบสัานมีจิตเป็นสุขอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏกับท่านขอท่านอย่างหลายเวลาทำงานทำการก็ดีเดินไปไหนทำกิจธุระใดๆก็ดีข น, นาเมื่อมันเลย เวลาที่เหนื่อยรู้สึกว่าใจสัน่นมันเหนื่อยหนักนั่งพักก็นั่งพักเริ่มจับลมให้ใจเข้าออกก็มดรู้ลมให้ใจเข้าออกทันทีทำแบบสบายจิตจะมีความเป็นสุขแล้วก็อาการเหนื่อยจะหายได้รวดเร็ว เพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายนี่จุดหนึ่งและมีจุดหนึ่งขณะที่เราเหนื่อยเหนื่อยสมมติว่าวันนี้ผมไมเห็นพระไายยาทํางานกันหลายอย่างขณะที่ท่านทํางานกันแบบนั้นถ้ามันเลนื่อยห า, ท, ายที่นั่งพักที่นั่งพักจะมีเสเอออวยวายอะไรก็ช่าง พอนั่งพักลงมาและจับลมให้ใจเข้าออกทันทีเพราะจับปรับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แปลการของปีติมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเข้าสมาธิในรวดเร็วอาการอย่างนี้ควรจะฝึกให้เสมอเสมอเพราะมันเป็นประโยชน์มากทําให้เราคล่องในการทรงสมาธิ เวลาที่จิตถึงฌานถึงฌานสมาบัติเราสามารถจะเข้าฌานได้ตามอัธยาศัยการเข้าฌานนี่ถ้าท่านที่เข้าฌานยังต้องการเวลาหมายความว่าต้องการจะรู้อะไรต้องการจะสงบจิตเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งใ้นานหน่อยหลับตาภาวนาอยู่นาน แล้วจึงฌานยิงจะเกิดอย่างนี้ต้องถือว่ายัางใช้ไม่ได้ <c oughs> การทรงสมาธิต้องคล่องที่ตามพระบาลีเรียกล่าวว่าจิตเข้าถึงนวสีคําว่านวสีคือการคล่องในการเข้าฌานและออกฌานฉะนั้นการฝึกสมาธิของท่านผมจึงบอกว่า จงอย่าหาเวลาแน่นอนไมาความว่าเดินไปก็ดีทำงานอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ตามถึงแม้เวล า, าดูดนสีจะฟังเทพก็ตามจิตจับลมหายใจเขาออกให้มันทรงตัวเวลาเดินบิณฑ บ, บาตกว่าจะกลับมีโอกาสสำหรับเรามาก ขณะที่ไปไปบินาบัดก้าวไปบินาบัดในก้าวแรกหรือก่อนจะไปจงกระทั่งกว่าจะถึงเวลากลับจงอย่าปล่อยจิตของท่านให้ว่างจากสมาธิให้จิตของท่านทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาแม้ก็ระทั่าเข้าใจผิดว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะยืนแข็งโดไม่ใช่อย่างนั้น ไม่จําเป็นต้องไปอย่างนั้นจิตเป็นสมาธิก็ใช้การกําหนดการก้าวของเทา้าก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าฝา ก, ก็รู้อยู่หายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายใจออกก้าวเท้าขวาหรือก้าวเท้าไปรู้ด้วยรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยถ้าจะใช้พุทธานธุปัตติควกคนดี เวลาก้าวเท้าไปหนึ่งก็พุทธก้าวไปทีก็โถก้าวไปทีก็พุทธก้าวไทีก็โถทำอย่ य, างนี้ตลอดไปก็เป็นว่าท่านเป็นผู้ไม่ว่างจากอารมณ์ของสมาธิเวลาจะกลับมาฉันอาหารจะทำอะไรก็ต า, ามอย่าวางสมาธิ เวลาจะกินข้าวจะใช้ข้าวเวลานี้เราตักข้าวเวลานี้ตักกลับข้าวเวลานี้เราข้าวเข้ า, ขาปากเวลานี้เราเคี้ยวมีความรู้สึกไปด้วยเวลานี้เราอาจจะไม่รู้ลมให้ใจเขาออกแต่รู้อาการที่ทำอย่างนี้ก็ใช้ได้เป็นการทรงอารมณ์สมาธิหรือว่าเวลาที่กำลังชันข้าว เรารู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยจะช่วยเกิดสมาธิได้ง่ายแลวก็เป็นการทรงฌานได้ดีมีการที่จะเจริญพระกรรมฐานให้ดีในเขาไม่ยอมให้เวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะหลับใช้จับอนาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวท่านจะหลับง่าย และให้หลับไปกับอนาปานุสติกรรมฐานเวลาหลับจะมีความสุขขณะที่หลับจะถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่การกําหนดรูลมให้ใจเข้าออกจนหลับขณะที่หลับจิตจะต้องเข้าถึงปฐมฌานและฌานสูงกว่านั้นจึงจะหลับและเมืม่อขณะที่หลับอยู่ก็ถือว่าหลับอยู่ในฌานถ้าตายระหว่างนั้นท่านเป็นพรหม เวลาที่ตื่นมาใหม่ๆถ้าจะลุกจากที่นอนก็ตามหรือไม่ลุกก็ได้เจะนอนอยู่อย่างนั้นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจให้ใจออกหรือว่าอยากจะนั่งก็ได้แต่ระวังให้ดีการลุกเข้ามานั่งต้องคุมสติสัมปชัญญะให้ดี เมื่อตื่นนอนเข้ามาแล้วต้องจับลมให้ใจเข้าออกทันทีเพื่อทรงสมาธิจิตให้ทรงตัวตอนเช้ามืดพยายามทำให้สงบสงัดให้มากที่สุดเป็นการรวบรวมกำลังใจสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่การบินธรรมะเมื่อเวลาไปบินธรรมะน่อยาคุยกัน ถ้าเวลาเดินไปวินับาตรวินัยะห่างกันเพราะคนลอดได้สาหรับพระองค์หน้าเคยยืนเดินไปยืนตรงไหนยืนตรงนั้นเวลาเขาใส่บาตรถ้าองค์ท้ายยังไม่สำรับบาตรไม่เสร็จองค์หน้านอย่าเพิ่งก้าวไปไม่เชนั้นจะทําให้องค์หน้าองค์ท้ายลําบากต้องเดินตามเร็วด้วยคนเลยมันเป็นการดูไม่งามสําหรับชาวบ้าน เรื่องนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะรืะก็เป็นสมาธิเหมือนกันที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ไว้และจำเข้าไว้เพื่อความดีของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ว่าท่านทั้งหลายจิตทรงสมาธิไว้แต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้ามืดและเวลาที่เดินเปบิณฑบาตถ้าจิตของท่านทั้งหลายทรงสมาธิอยู่ สมเด็จพระบรมค ร, รูทรงตรัสว่าคนที่เขาใส่บาตรท่านเขาจะมีบุญมากได้บุญมากมีความสุขในปัจจุบันดีกว่าท่านที่ปล่อยให้ใจลอยที่จิตน้อบนันกามารมในโลกียะโลโลกียะสมิไสถ้ามีพาอไร้ว่าจิตนม้มในบนรโลกีเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสุขสงบ เมื่อจิตของเราสุกับหลกท่านผู้ให้ก็ได้ของสุกับลกไปถ้าจิตของเราทรงสมาธิเข้าไวแสดงว่าจิตของเราสะอาจจากบาปอกุศลบันด า, นาท่านพุทธศาสนิกชนที่ทรงเคราะห์ก็ได้ดีอะไรเวลาท่านทั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ก็ยุติไวแต่เพียงเท่านี้